แล้วก็เจริญกรรมฐานต่อไปถ้าเธอยังละไม่ได้ก็ควรสาธยายบาลีธรรมัคคุที่เรียนมาด้วยเสียงอันดังแปล ง, ง่ายๆว่าวถ้าเจริญไปเจริญมาไม่ได้เรื่องแล้วสวดมนต์เธอว่าไงถ้าเธอใส่ใจหรือสวดมนต์อยู่ก็ยังแก้ไม่ได้อีกเอาสมุดมาเขียนจดบันทึกก็ได้นะนะเรื่อใหม่ก่อนนี้ก็เขียนพุทธคุณเขียนธรรมคุณลองเขียนพุทธคุณธรรมคุณดูถ้านี้เขียนไปก็ยังไม่ได้ก็เรียกว่าหยิบ ไม้สีไฟออกจากย่ามเขาเรียกว่าเปลี่ยนเรื่องนะเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนจากอากุศลวิตกเหล่านั้นเพราะคืนปล่อยให้อกุศ ล, ลวิตกเหล่านั้นกำเริบมากขึ้นเนี่ยบางทีมันล่วงอบดับจริงๆเลยแหละนะอกุศลวิตกบางอย่างนี้ถ้ามันโตขึ้นโตขึ้นในที่สุดก็บางคนก็ปราชิกหรือสังขาธิเศษอันใดอันหนึ่งเข้าไปจนได้มันก็ต้องพยายามหาวิธีแก้ไขมาแคระว่านั่งนับกุฏิก็ได้นะเดินนับกุฏิก็ได้ทไม่ได้อะไรก็นับใจดีก็ได้นับ เลียมเจดีก็ได้นั่งนับเจดีอ่านพระไตรปิฎกแต่งห้องใหม่ก็ได้อะไรก็ได้ไปทําอะไรก็ได้ที่มันอย่างเงี้ยก็จะละอกุศลวิตตกได้หรือไม่ก็ต้องพยายามหาวิธีละอกุศลวิตตกได้ถ้าละอกุศลวิตตกได้ก็ให้น่นอ่ะทางนี้ก็ก่อสร้างไปนะนะการวัดทำนวากามก็ไม่ไว้จริงก็ต้องไปก่อสร้างแล้วล่ะเพื่อจะทำแต่คนที่จะก่อสร้างก็ต้องทําลายอกุศลจิตก่อน คือเรื่องมีอยู่อย่างนี้เนี่ยนะในตัวอย่างสมัยก่อนก็มีอยู่ว่า เ, าเรื่องติดสัส ม, มเนนได้ยินว่าอุปชายาของส ม, มเนนอาศัยอยู่ที่มหาวิหารชื่อว่าติดสัส ม, มเนนก็กล่าวกับอุปชาว่าท่านครับผมกระวนกวายแปลว่าผมอยากจะสึกเต็มทีแล้วว่างั้นพระเถระก็ถามส ม, มเนนว่าวิาวิหารวัดที่อยู่เราอยู่เนี่ยหาน้ําอาบยากไปเถอะไปอยู่จิตระดาบรรพศส ม, ม, มเนนก็ทําตามอาจารย์ชวนไปโอ้ไปอยู่นู่นก่อนเนี่ย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 สมมเนนก็รับบอกสาธุเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าเออคล้ายๆกับว่าอาจารย์พูดเหมือนว่าอาจารย์อยากได้กุติเป็นของที่อยู่ตัวเองสักหลังหนึ่งสัมมเนนก็โหสัทธาอาจารย์อยู่แล้วนะก็ทําถวายอาจารย์ไปใจจริงก็เริ่มใจจริงเนี่ยคิดทําถวายอาจารย์นะก็เลยเริ่มสร้างก็แต่สัมมเนนนั้นก็เก่งอาจารย์ก็วางไว้สามอย่างหนึ่งให้เรียนคัมภีร์สั่งยุตินิการทางกระต้นเลเรียนเลยเรียนพระสูตรแล้วก็ให้ชําระพื้นที่เงื้อมภูเขาแล้วก็ทํากสินบริกรรม เจริญเตโชกสินด้วยนะก็ทํากรรมฐานนั้นให้ถึงอัปปนากสินนั้นก็เจริญได้จนได้ฌานอะ่ะแล้วสั่งยุตนินนกายก็เรียนจนจบแล้วก็เริ่มก่อสร้างถา้ำนะเริ่มเรียกว่าเจานะถ้านะนั่งสกัดหินทำถ้ำเนี่ยนะก็จริงอ่ะนะคล้ายๆกับถ้ำอชันตาถ้ า, ถาอะไรทั้งหลายอะไรเขาก็เจาะหินทำทังนั้นอ่ะนะมานะเจาะหินเข้าไปทํถาถ้ำที่สีลังกาก็มีหลายถา้าเช่นถ้ำที่วัดราชามหาวิหารเนี่ยถ้ำดัมบุลลานะ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 บรรลุเป็นาตนอย่าลืมว่าท่านไม่ใช่ไม่เก่งนะท่านจบคำพีสั่งยุตินิกายถ้าตอนนี้ของเราก็จบเล่มจำเล่มสา3ส35ามสาี่สสบห้าขออภัยเล่มยี่ส 25, สา2ยี่29บสี่ยี่บห้ายี่บหกยิบเจ็ดยี่บแปดยี่บเก้านะก็เท่ากับท่องพระไตรปิฎกจบประมาณเจ็ดเล่มนนะถ้าฉบับที่เราใช้อยู่เนี่ยนะมันจบเจ็ดเล่มเนี่ยเดี๋ยวแบบสิทย์มีอาจารย์เนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกนะ อาจารย์ของท่านก็ส่งพระไตรปิฎกอยู่แล้วไม่มีปัญหาในที่สุดก็อยู่ถ้ำนั้นก็เป็นบรรลุเป็นาตุฐนท่านก็อยู่ในถ้ำนั้นจนอายุมากปรินิพานอยู่ที่ถ้ำนั้นนั่นแหละชนทั้งหลายก็เลยเรียกเือเอา่าสมัมเนสร้างเป็นเจดีย์ว่าเจดีย์ของพระติสัทระก็ชื่อเสียงโด่งดังไปจนถึงสมัยพระพุทธโคษาจารย์เนี่ยนะมันก็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 มนสิการสันฐานของมิตกอันนี้ก็ท่านยกบอกว่าเหมือนกับกระต่ายตื่นตูมเนี่ยกระต่ายที่มันตื่นตูมกระต่ายตื่นตูมเนี่ยแล้วตื่นมาตูมเหมนะตูมตัวนั้นแปลว่ามาตูมมาตูมตกใส่ข้างหัวมันก็เลยวิ่งเตลิดเพิงไปหมดเนี่ยนะแกกบเรื่องกระต่ายตื่นตูมในทุตุพชาดกว่ากระต่ายตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใกล้ต้นมะตูมลูกมะตูมสุกลุดจากขั้วตกลงมาใกล้หูวของกระต่ายดีม้มไตกใส่หัวนะ กระต่ายตัวนั้นก็พลุดลุกหนีไปโดยเร็วว่าแผ่นดินถลม่มแผ่นดินถลม่มเพราะเสียงของมาตุมันดังดังข้างหูเนี่ยอูย้แผ่นดินถล่มแน่นอนเนี่ยนะสัตว์จตุบทวีบาดสัตว์สีเท้าสัตว์สองเท้าเนี่ยได้ข่าวว่ากระต่ายวิ่งมาก็เพราะแผ่นดินถล่มก็วิ่งตามกันไปพระโพธิสัตว์เกิดเป็นราชสีราชสีคิดว่าแผ่นดินเนี่ยนะมันจะพินาศก็เพราะกับพินาศ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 เจ้าพาเราไปดูบอกไม่อารกลัวเนี่ยนะกลัวตรงนั้นแผ่นดินมันถลม่มเฮ้ยทำไมไปเนี่ยนะเดี๋ยวโดนเนอะทาไม่ไปเนี่ยโดนก็โค่ก็ตายฟู่เข้าไปก็ตายก็ยอมปลอบใจกระต่ายด้วยคําสุภาพเสร็จแล้วก็พากระต่ายไปพอไปไม่ไกลต้นมะตูมกระต่ายก็บอกว่าข้าแต่ท่านผู้สง่างามข้าพเจ้าอยู่ในที่นั้นได้ยินเสียงพอมลมข้าพเจ้าไม่รู้จักว่าสิ่งนั้นะ่ะคือเสียงอะไรแต่ก็อันนี้ขนาดไม่รู้นะยังทึกทักเอาว่า แผ่นดินถล่มแล้วก็วิ่งเข้ป่าราบเลยนะไม่วิ่งตัวเดียวนะี่ยังพาสัตว์อื่นวิ่งไปทั้งป่าไปหมดเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าเจ้ายืนยืดอยู่ที่ตรงนี้ก่อนนะแล้วกระต่ายก็เออราชสีก็ไปที่โคนต้นมะตูมไปเห็นที่นอนของกระต่ายไปเห็นลูกมะตูมสุกแล้วก็ดูข้างบนก็เห็นขั้วของมะตูมก็รู้ว่ากระต่ายตัวเนี้ยนอนหลับอยู่ตรงนี้ลูกมะตูมสุกมันตกลงมาใกล้หูก็มีสำคัญคิดว่าแผ่นดินถลม่มก็เรียกวิ่งหนีก็เลยถามถึงเหตุ พอเสร็จแล้วก็ตายก็ยอมรับว่าใช่อะ น, นะถูกต้องแผ่นมะตูมตกใกล้หูพระโพธิสัตว์ก็เลยบอกกระต่ายฟังเสียงลูกมะตูมหล่นลงสำคัญว่าเสียงแผ่นดินถล่มจึงวิ่งไปโดยเร็วพวกมรึกคือศัพท์ทั้งหลายปานเหมือนกองทัพผู้เร่าร้อนแล้วเพราะฟังถ้อยคำของกระต่ายก็ว่าอุย้ยพากันหนีป่าราบหมดกลัวแผ่นดินถล่มแบบนั้น แต่พอสอบเข้าไปจริงๆอ้าวมาตูมลูกเดียวเนี่ยนะมาตูมลูกเดียวเนี่ยวิ่งเงินป่ารับไปหมดเพราะฉะนั้นอากุศลวิตกที่เราแหมมันทะลักมาแล้วทลักมาอีกเนี่ยนะก็ต้องสอบหาสาเหตุเนี่ยนะสอบหาสาเหตุว่าต้นเหตุของเรื่องจริงๆอ่ะมันคืออะไรก็ขุดรากมันซะถ้าขุดรากถอนโคนมันก็มันก็หมดแล้วเนี่ยนะในวิธีที่ห้าวิธีสุดท้ายนะวิธีสุดท้ายบอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย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 ขมบีบคั้นบังคับจิตด้วยจิตเมื่อเธอกัดฟันด้วยฟันดุนเพดานด้วยลิ้นขมบีบคั้นบังคับจิตอยู่ได้วิตกันเป็นบาปอกุศลที่ประกอบด้วยโลภโทสะโมหะอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลนั้นได้จิตก็ตั้งด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั่นแหละอันนั้นเรียกว่าต่อสู้กับอกุศลวิตกกันหน้าดูเลยนะ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 วาจาเมื่อมิจฉาวาจาก็มิจฉากรรมมันตมิจฉาอาชีวามิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาทิฐิก็ระบาดเนี่ยนะอกุศลกรรมมรดกกลุ่มทับถ้ามิจฉาทิถีระบาดปานาติบาตเป็นต้นก็ระบาดเอ้โหตกนรกกันบานเบอรเลยว่างั้นนัจะต้องพยายามที่ไอตรากเง่าก็มาจากอกุศลวิตตกอกุศลวิตกจะกําจัดด้วยวิธีการใดๆเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับสิ่งที่เลวร้ายที่ต้องรีบกําจัดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้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 เธอย่อมละได้อาคุศลวิตตกเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะไปเจริญกุศลวิตกอย่างอื่นแทนที่เป็นเครื่องปรับเป็นคู่ปฏิปักษ์ในการกําจัดอกุศลวิตกวิธีที่1วิธีที่สองภิกษุนั้นก็พิจารณาโทษของวิตกนั้นอยู่ถ้าเห็นโทษมากเท่าใดวิตกที่เป็นบาปอาคุศลที่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะเธอก็ละได้อะ น, นะ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 เลือกคิดได้เลยเหมือนกันอยากก็อยู่ด้วยเมตตาก็อยู่ด้วยก็อยู่ได้อยากก็อยู่ด้วยกรุณาก็อยู่ได้อยากก็อยู่ด้วยมุทิตาก็อยู่ได้อยากจะอยู่ด้วยอสุภาก็อยู่ได้อยากจะอยู่ด้วยกรรมฐานเหล่าใดเหล่าใดท่านก็จะอยู่ได้ตามใจปรารถนาเพราะอะไรเพราะเป็นผู้ที่ชํานาญวิตกเครียกว่ารู้แนวทางรู้ทิศทางของอกุศลมิตกได้แล้วเพราะฉะนั้นเธอไม่จํำ侬จะตรึกวิตกเหล่าใดก็ไม่ต้องตรึกวิตกเหล่านั้นในที่สุดก็ตัดตันหาได้แล้ว พออคุศลวิตกเนี่ยรากของอกุศลวิตกก็คือโลภะโทสะและโมหะเพราะขุดรากถอนโคนอกุศลวิตกก็เท่ากับถอนรากตันหาถ้าตัดตันหาได้แล้วคลี่สังโยชน์ทั้ง10บ น, นะคลี่คลายเรียว่าคลี่คลายกัลละคลายส ก, กายะทิฐิวิจิกิจฉาด้วยโสดาปฏิมั ก, กําจัดกาเมราคะปฏิฆาด้วยสกะท า, าคามิมักและอนาคามิมักกาจัด รูปปาราคะรูปปราคะมานะอุทจฉาอวิชชาภวะราคะเป็นต้นด้วยอาราหารัตมักธรรมที่สุดแห่งวัตถุทุกธรรมที่สุดแห่งชาติชารามรณนะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสเลอุปาญาตเพราะตรัสรู้โดยชอบเนี่ยนะทุกขตรัสรู้ด้วยการกําหนดรอบรู้สมุทัยก็ตรัสรู้ด้วยการละนิโรธก็ตรัสรู้ด้วยการทําให้แจ้งอริยมรรคทั้งหลายที่ประกอบไปด้วยองคปดก็เจริญอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไพ่บริบูรณ์ บริบูรณ์ดีแล้วเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่ทําที่สุดแห่งทุกได้เป็นพระเรียเจ้าในพระศาสนานี้อันผู้ใดที่ตรึกตรองถึงมิตกได้แบบนี้บ่อยๆก็ถือว่าเป็นผู้ชํานาญก็ <c oughs> บอกว่าคนที่รู้วิธีกําจัดอกุศลมิตกทั้ง5ประการเรียกว่าเป็นคนที่ชํานาญในศิลปะการใช้อาวุธ5อย่างเช่นฉลาดในการใช้ธนูใช้หอกใช้ดาบเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าฉลาดวิธีบอกเ้าถ้า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 นะชนะความคิดตัวเองได้ก็ทําที่สุดแห่งทุกได้แต่ว่าข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดความคิดที่เป็นอกุศลวิตกก็คือสมถะและวิปัสสนาทั้งหลายนั่นเองเนี่ยนะนะมันก็ขอให้ทุกท่านชนะอกุศลวิตกเจริญกุศลวิตตกให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์เนี่ยนะเนะจริญอารยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เจริญบริบูรณ์ทําที่สุดแห่งทุกตามพระพุทธเจ้าวันนี้ก็าใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้